เ น, นเห็นนอยเสียงอะไรร้องปุ๊บปุ๊บนึกจักไหมฮะอยู่ในกรุงเทพมันได้ยินน่หอันนี้แหะเสียงนกพูกแลวนะนกพูกร้กองนะเนี่ยเนี่ยนกพูกเหมือนกันเนี่ยแกวกแกวกแกวกเลเนี่ยเสียงนกพูก นกฮูกมันมีหลายพันมันมีหลายตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีตัวพันุ์เล็กก็มีพันธุ์จิ๋วก็มีพันธุ์ใหญ่ก็มีหลายพันเพราะฉะนั้นเวลามันร้องต่างกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในป่าเราต้องพยายามศึกษาศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวโควกโควกนะพี่ชานกฮูกชนนิดหนึ่ง หกตัวนี้เป็นตัวนกหกบินสูงตัวหนึ่งบินสูงมันชอบร้องเดือนง่ายๆตัวนึ่งท่านวันไหนเดือนง่ายเนี่ยมันจะชอบร้องมันจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอันนี้มันวันนี้เป็นสองสามค่ามันมีเห็นแสงเดือนนะ่ยมันจะร้องนะถ้าเดือนง่ายๆมันจะร้องนะแต่มีนกชนิดหนึ่งอยู่ที่นี่ก็ได้ยินอยู่ นานๆจะได้ยินแต่เวลาหลวงพ่อไปเที่ยวทุ่งในป่าเนี่ยกางคืนเดือนง่ายๆอยู่ในร้านแสงเดือนมันส่องกุฏิไม่มีฟ้าเลยไม่มีหลังคาอีกต่างหากมีแต่กรดกับมงเดือนก็ ง, ง่ายเดือนส่องออกมาเดือนนั้นดึกสงัดนะจะมีเสียงนกมันร้องนกตะนานโน ร้องแล้วมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะน้องร้องมันนอกเป็นจังหวะเลยบางทีร้องสองสามตัวอยู่คนละมุมกันมันไม่ร้องไกลกันเลยมันร้องอดอดอดเทิดอดอดอดเทิดอดอดอดเทิดมันบอกว่าเราเป็นกรรมฐานต้องอดทนออมันว่านถ้าอดทนถ้ามีขันติคือความอดทน อยู่ที่ไหนดีอดต่อคุณงามความดีอดต่อความกลัวอนกตัว น, นั้นโอ้มันร้องขึ้นมาที่ใดกลางคืนเดินง่ายๆนะรู้สึกว่ามันวางเวงมากระด่อวางเวงเดินกันง่ายๆเงียบสงบนะไม่ได้ยินอะไรมันก็ร้องอแต่มันจะร้องเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ แต่ ม, ม, มันออกมาทำนองงั้นเหมือนกัเราก็เลยตีแบบคนเราพระเราต้องอดทนได้เงียบงมอยู่ในปา่าถึงจะเหนื่อยยากลําบากก็ต้องใช้ความอดทนจึงจะเป็นพระที่ดีได้คนก็เหมือนกันก่อนที่จะเป็นคนที่ดีได้ต้องอดทนคนนั้นนกตัวนั้นมันร้องขึ้นมาหลวงพ่อวาดโอ้ ดีฟังดูแล้วเป็นชีวิตชีวาบางันกลางคืนเดือนง่ายๆอยู่ในร้านองเดียวอยู่ในป่าดงมันจะอยู่ในลักษณะเป็นภูเขานะถ้าอยู่ในดงดงทึบๆเนะี่ยมันจะไม่จะไม่ค่อยได้ยินนกตานร้นองแต่มันก็มีอยู่แต่มันไม่ค่้องไม่ค่อยร้องถ้าอยู่ในป่าปโป่ ง, ปงสูงๆต้นไม้มันจะจับอยู่ยอดไม้สูงๆนะมันจะร้องนะ อดอดเธออดอดอดเธอฟัง <aired> ฟังดูแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือให้มีความอดทนมันนกมันกระเตือนด้วยบอกกล่าวด้วยนกก็เตือนด้วยผมจะเป็นนกเทวดามัมาบอกให้อดทนเหมือนกันแต่ถ้ายินจะทั่วทไปน่ะเวลาเราออกเดินทุดงในป่าเพราะฉะนั้นพวก พระกูบาใหม่เนนนะที่มาอยู่วัดหลวงพ่อในช่วงนี้ตต้องใช้ความอด ท, ทนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละนะทั้งหมดพวกเราวันนี้นับถามพระเวนว่าพระทั้งหมดส7บเจเนนห้ารวมแล้วห้าบาองค์วันนี้เป็นวันที่19เมษาหน แต่ตาไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่คิดจะลงมาแล้วพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันนะพอหลวงพ่อไปกรุงเทพเมื่อวันที่สิบดไปพักที่กรุงเทพวัดพักที่ทททวัดปวร์ญาติโยมพกกองธรรมอากาศกองช่างอากาศทําบุญครอบพระกี่ปีหลวงพ่อกลืมแล้วละ่ะไปฉันเมื่อเช้าที่แรกก็จะไม่ลงลงมาแต่เห็นว่าวันเวลา เกี่ยวกิสินักศึกษาที่ไม่โดนก็จะลาสีขาวันที่ยี่สิบเอ็ดที่จะถึงนะวันนี้ก็เป็นวันที่สนะิบเก้าแล้หลวงพ่อเองก็เลยได้อดสารงมาวันนี้อนั่นน่ะนี่แหละเป็นหัวหน้าต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าเอาอย่างใจตัวเองเหนื่อยแล้วไปหยุดก็ไม่ได้นะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนที่ต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าในบางสิ่งบางอย่าง เราต้องอดทนอย่างที่นกป่าร้องอย่างนั้นนะนกป่าร้องถ้าว่าใช้ความอดทนไปในที่ถุกสถานดีอยากจะพูดก็ไม่พูดอดอยากจะฉันก็ไม่ฉัน<ม>อดทนขี่เกียรต์ก็ต้องพยายามให้ขยัน<ม>ใช้ความอดทนนี่แหละคล้ายว่าตรงกันข้ามกับกิเลสที่มันชอบสบาย ทีนต่อไปเราก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบได้เป็นพระที่ดีได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราฝืนในสิ่งที่มันไม่ดีออกจากใจของเราถ้าว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างที่เราชอบอะไรเราทําตามที่เราชอบเราจะเป็นพระเป็นเนนที่ดีไม่ได้เราจะบวชไม่ได้อีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าเราต่อตามใจตัวเอง ประนั้นเราต้องฝืนฝืนใจของตัวเองเป็นนักเป็นนักรลดนัปวดเป็นพระเป็นเนนมันต้องฝืนอย่างนั้นนะจึงจะเป็นพระเป็นเนนอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยที่เป็นจะเป็นพระเป็นเนนที่น่าเคารพนับถือน่ายกย่องเทิดทูนบูชาน่ากราบไหว้นได้เป็นผู้อดทน Unto, สิงจะเป็นศากยบุตรสากยบุตรพุทธชินโอรสศากยบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าโอรสของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผ <ulse. S 2> ู้อดทนต้องเป็นผู้มีความเพียรต้องเป็นผู้มีปัญญาให้รู้จักสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรพูด นี่แหละลูกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคิดเออละเหยลอยลมไปเรื่อยร้ อ, องเพลงอยู่ในใจ อ, อยากจะร้องเพลงร้องอยู่ในใจไม่กล้าร้องออกปอากอย่างนั้นไม่ได้ต้องห้ามาถ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าและต้องห้ามต้องนึกพุทโธพุทโธธรมโมธรรมโมสังโฆสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธในใจ อ, อันนี้ก็คือเวลานึ ก, นกยังไงคิดยังไง เวลาเราจะทำทำยังไงจึงจะไม่ผิดศีลพูดยังไงจึงจะเป็นศีลเป็นธรรมเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าที่ดีแล้วจงรับพักดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีอย่าออกนอกลูกนอกทางถ้าคิดตามอาเภอใจทำตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้า มีแต่ยูนิฟอร์มอย่างพระพุทธเจ้าตันเองแต่ใจการกระทำนั้นไม่ได้เป็นไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าต้องการไม่ได้ไปตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆองนะที่มาบวชในพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพระเนนที่ดีให้ซื่อสัตย์สุดจริตจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะ และพวกเรามาอยู่หลายวันก็คงจะเคยชินต่อสถานที่บ้างแล้วนะก็ได้ต่อไปในกระทั่งอกตั้งใจปฏิบัตินาะทีนี่นะชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วพพวกเราคงจะคิดว่าชีวิตของพระที่เป็นนักบวชเนะี่ยเป็นพระเนะี่ยก็ไม่เห็นมีอะไร ตื่นมาก็ไปบินทบาทมาฉันจากน้านก็มาฉันน้าจากนั้นก็ปัดกวาดเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนะกิเลสมันว่าอย่างนั้นนะแต่ตามที่จริงเราทําไม่ถูกจุดจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ทํานั้นคืออะไรตรงไหนนะอันนี้เราต้องศึกษาต้องศึกษาพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนยพระพุทธเจ้าให้ลูกของท่านน่ะ สักกายบุตรบุตรของท่านให้บุตรของท่านให้ลูกของท่านทำเลยทำอย่างไรเนี่ยพวกเราที่เป็นบุตรของท่านเราก็ต้องศึกษาของพระพุทธเจ้าพุธทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ทำนั้นคืออะไรให้คิดยังไงให้ทําอะไรให้พูดอะไรเนี่ยนี่เราต้องเข้ามาแล้วก็ศึกษาถ้าไม่รู้ก็ต้องถามถามอุปชัยอาจารย์ถามครูบาถามไรอาจารย์หรือถามหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอก็พูดอยู่แล้ว หน้าที่อะไรของพระในี่ยหน้าที่อะไรสรัมเอ็นทำหน้าที่อะไรชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันอย่างที่พวกเราทำเนี่ยจัดว่าเป็นหมวดศีลปศีราะจารวัดกิจวัตรข้อวัดปัดกวาดอย่างนี้ที่ท่านเจ้าคุณพาทำเนี่ยทำกิจวัตรปัดกวาดนี่แหละเป็นศีลแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างเนี้ย บินธบาตมาชั้นเนี่ยนะจัดเป็นหมวดศีลทั้งหมดคือการกระทําสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศีลเวลาเราจะไปบินธบาตเราคลองผ้าให้เรียบร้อยเราจะนุ่งผมให้เรียบร้อยในภาวินยัยเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านไปก็คือเดินนั่งเราคือนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะไปนั่งในบ้าน เราจะไม่พูดเสียงดังไปทั่งในบ้านเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านไม่ใช่ว่าเวลาเดินบินเทาบาทไปรับบาทบบาทาี่นู่นมองขึ้นต้นไม้มองหน้านะทายกเขาไม่ได้นะเราเป็นพระ ก, กรรมาฐานเราต้องมองบาทดูบาทของเราเราให้มีตะความสำรวมให้มีตาทอดลงไปนั่งในบ้านคำว่าไปก็คือเดินสำรวมขนาดไหน ให้ตาทอดลงประมาณสามเก้าสามเก้าเดินน่ยอันนั้นแปลว่าตาทอดลงไม่ใช่จะ ก, ก้มดูหัวแม่โป่งตัวเองตลอดไม่ใช่อันนั้นก้มเกินไปดูแลไม่เหมาะสมต้องมีตาทอดลงไม่ใช่ก้มเราจะมีมีความก้มลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคาว่ามีตาทอดลงก็ไม่ให้ไม่ให้มองสูงะจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่แหละ เกี่ยกับการชันเอกเราจะไม่ชันดังจับๆเราจะไม่ชันดังสูตดๆเราจะไม่ชันเดียมือเราจะไม่ชันเดียริมฟีปากเราจะไม่ชันกัดคำข้าวเราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากเราจะไม่ชันทํากับพุงแก้มให้ตุยออสิ่งเหล่านี้พราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอันนี้ก็คือจัดว่าเป็นหมวดศีลอันนี้หลวงพ่อจับมาเป็นบางประเด็นสําหรับ บุตรของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําอย่างไรเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราทําจัดว่าสินเพราะนั้นให้พวกเราอยู่ในศินแต่ละวันแต่พระพุทธเจ้าท่านจุดประสงค์ของท่านจริงอางนั้นคืออะไรท่านให้ภาวนาส่วนนั้นก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือไม่ให้ ความคิดของเราออกนอกกลู่นอกทางศินนี่คือคือรัอ้วสมณเณรศินของสมณเณรคือศินสิบคือตีตีรั้วพร้อมรั้วเอาไว้สิบเหล่าเหมือนกันนแต่พระนี่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดออกนอกลู่นอกทางมากกว่าพระพุทธเจ้าให้รักษาสิน2องร้อยยี่บว่าไม่ให้ล่วงละเมิด ในสินสองรอยี่สิบเจ็ดแต่าห้ามห้ามไม่ให้ทำแล้วก็ให้ปฏิบัติในตรงข้ามสิ่งที่มันไม่ถูกห้ามแล้วก็ให้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่แหละอันนี้ก็คือสินเมื่อห้ามกายวาจาของเราแล้วใจของเราไม่ได้ออกไปทางกายทางวาจาใจของเราก็อยู่กับตัวเองะบะัใจของเราก็อยู่ในความสงบใจไม่ปุงไม่ฟุง้ง ออกไปข้างนอกนี่แหละพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้ลูกของท่านปฏิบัติถ้ า, าว่าพวกเราคิดตามอําเภอใจทําตามอําเภอใจพูดตามอําเภอใจอันนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าแปลว่าลูกแบกแนวลูกเหลือขอนะทำมากมากนะทาออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางมากๆ ก, กว่าลูกเหลือขอนะ พ่อแม่บอกไม่ฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นลูกเหลือขอของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ที่ว่านั้นคืออะไรพระพุทธองค์สอนจุดประสงค์ก็คือทำจิตให้สงบให้ดูใจของตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลายครั้งตลายหนว่าใจก็ดี ผู้รู้ก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีนะอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คืออันเดียวกันอยู่ในกายของเราเนี่ยนะกายกับใจใจคือตัวผู้รู้บ่งจะเรียกผู้รู้ก็ได้นามธรรมก็ได้วิญญาณก็ได้จิตก็ได้ใจก็ได้แต่อันที่แท้ก็คืออันเดียวกันจักถ้าเป็นอันเดียวกันนะให้มันจบจบไปเลยว่าในร่างกายมันมีอยู่สองกายกับใจ แต่ว่าการเรียกนะ่ยอาจจะเรียกชื่อไปคนละอย่างกันเหมือนกับการกินข้าวของคนนะทางอีสานในทอดกินข้าวภาษาภาคกลางเรียกให้สุภาพหน่อยกัรับทานอาหารถ้าเป็นฝรั่งก็ว่าอิตถ้าเป็นคนจีนก็ว่าเจี้ยถ้าเป็นคนยุนก็อันเกิมถ้าเป็นคำเม้ก็สงสบายลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ที่แท้ก็กินข้าวอันเดียวกันน่น อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะเรียกว่าจิตใจมโนะให้เรารู้เลยเลยว่าเอออันนี้คือความรู้สึกคือใจนะเพราะฉะนั้นให้เราจับประเด็นให้ถูกที่พู้ว่าใจใจกับกายนะั้นคืออันเดียวกันใจนะั้ผู้รู้นำมธรรมอันเดียวกันแต่ว่ากายนะั้นอีกอย่างนะรูปปะรนะธรรมเนี่ยรูปปะระธรรมคือร่างกายนำธรรมนั่นแหนะคือจิตใจอย่างที่ว่าตัวผู้รู้ตัวนึกตุกคิดนะั่นแหละนี่ว่านามธรรม เพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าหลงเงื่อนที่ได้ยินได้ฟังจากเทปจากหนังสือและอ่านหนังสือก็ตามะจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปศึกษาไปฝึกหัดที่ท่านได้ตัดสู้ธรรมอยู่ในป่าที่ว่าน่ยท่านไปฝึกหัดใจเนี่ยนะคือนามธรรมตัวนั้นแหละไปฝึกทั้งหกปีอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาฝึกในครั้งนี้นะก็ให้มาดูใจ พอฉันจังหารเสร็จทํากิจวัตรเสร็จคือสินอยู่ในกรอบของศินฉันให้ถูกต้องไปมาให้ถูกต้องเดินไปให้ถูกต้องสัมโรมกายวาจาให้ถูกต้องจากนั้นก็ให้ไปดูใจนั่งสมาธิดูใจวันนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรแน่อันนี้จุดเข้าถึงจุดละทีนจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้บุตรของท่านลูกของท่านปฏิบัติ พวกเราถือว่าท้าว่าเราเป็นบุตรหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่พ่ อ, เ, อเราสอนคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่จริงจะไม่เป็นลูกนอกครอบลูกแหวกแนวเพราะได้ดูใจใจเราคิดเรื่องอะไรเอาละทีนี้ดูใจตัวเองสู้กับใจตัวเองพยายามบังคับ จิตใจของตัวเองให้อยู่สงบไม่ให้มันปุ่งฟุ้งเป็นยังไง น, นี่แหละท่นี่เอากรรมฐานเข้ามากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ท่านได้ตัสรู้ในวันเดือน6เพนท่านว่าท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า เราจะเอากรรำฐานของพระพุทธเจ้ามาใช้กับเราก็ได้เพราะท่านใช้ได้ผลแล้วได้เห็นผลมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ทำเมื่อแรกคือว่าจุดประกายแรกคือท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นเรานำกรำฐานที่พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์เห็นผลมาแล้วนำมาประพฤติปฏิบั ต, บติกับตัวของเราก็ได้ หายใจเข้ารัวาหายใจเข้าแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเออหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธด้วยถ้าเรากห็หมดธรรมดาเฉยเฉยมันยังมีช่องว่างทําให้ใจของเราเล็ดรอดออกไปคิดออกไปมีช่องว่างที่จะคิดได้อีกอยู่เพราะด้านท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าพุท หายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามันเผลอไปให้ดึงกลับคืนมาให้มาอยู่กับพุทโธนี่อันนี้แหละเราต้องสู้ดูสิเะนี่เป็นยังไงจำเจไหมดูใจของตนเองแต่ถ้าว่าเราทําข้างนอกนมันเหมือนกับจำเจการเป็นอยู่แต่พอมาสู้กับใจตัวเองเราโอโ้โหมันใหม่อยู่เสมอเทนี้ อไม่รู้ไม้มัดมวยไหนที่เข้ามาตีใจของเราอกิเลสตัวไหนต่อตัวไหนบางทีก็ว้าเวบังบางทีก็อ่างว่างบังเงียบเง้อบังซึมเศร้าบังหมูพูดมาไม่ถูกใจบังบางทีเอได้สิ่งที่ถูกใจบางไม่ถูกใจบังบางทีก็ร้อนบางบางทีกันหนาวบางบางทีก็หิวก็หายบังดูใจเราเองเล่ท่าเออมันออกไปรับรู้ในสิ่งต่างๆ ตาไปเห็นรูปไปยังไงพอใจหรือไม่พอใจหูได้ยินเสียงเข้ามาพอใจหรือไม่พอใจจมูกของเรากลิ่นเหม็นพอใจไม่พอใจลิ้นในทานอาหารรสดีรสไม่ดีรสเผ็ดรสเค็มพอใจไม่พอใจร่างกายถูกความร้อนความหนาวเข้ามากระทบพอใจไม่พอใจเราจะรู้ด้วยตัตนเองเอพรมีสติอยู่ในตัวของเรา ก่อนเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ภาวนามันจะมากระทบอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่บัดนี้เรามาได้ฝึกปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําเราก็พยายามให้สติอยู่กับตัวเองทุกอริยาบทยืนกายมีสติเดินกายมีสติเดินบิดาบัดไม่ต้องคุยกันเดินภาวนาไปเวลานั่งที่ไหน เราก็ให้มีสติเวลาเรานอนก่อนจะหลับเราก็ให้นอนมีแบบมีสติเราไม่ได้คิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราทําอย่างนี้ได้แปลว่าเราปฏิบัติตามพุทธประสงค์ด้วยว่าตามที่พระพุทธเจ้าต้องการอยากจะให้ลูกของท่านทำแต่ถ้าว่าเราทําไม่ได้ขาดบ้างเสียบ้างแต่เราก็มีความพยายามอยู่แต่มันทําไม่ได้อย่างนั้นอันนันก็ยังดวดลูกที่ดีอยู่ อย่าปฏิบัติอย่างที่พ่อสอนแต่ปฏิบัติยังไม่ได้แต่ถ้าว่าเราไม่สนใจเลยปล่อยปละละเล ย, เ อ, ยอยากจะทําอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะร้องเพลงในใจก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนั้นแปลว่าลูกนอกขอบลูกไม่อยู่ในโอวาทของพ่อผิด พ, พุทธประสงค์ของพ่อการที่พระพุทธเจ้าพ่อของเราสอนอยังไงเราไม่ได้ทําตามที่พ่อบอกกล่าว เพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาปวชเข้ามาศึกษาที่มาปวชในครั้งนี้นะให้ฟังเอาไว้พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนนั้นท่านเน้นหนักเน้นเรื่องอะไรอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านฮนะในที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นเดี๋ยวให้พวกเราปฏิบัติให้ดูใจจากการเมื่อใจเข้าสู่ความสงบแล้ว เป็นพื้นฐานแล้วแตเนี่เราพยายามหลายครั้งต่อหลายหนจนจิตของเราเข้าสู่ความสงบจากนั้นพิจารณาทางวิปัสสนาที่กล่าวเบื้องต้นว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทพโธพุทโธอนุนสมัตนะิถ้ามันยังมีช่องว่างใจมันจะเล็ดลอดออกไปได้อยู่ความรู้สึกจะเล็ดลอดออกไปได้อยู่เราจะบริกรรมทุกขณะจิตที่มันคิดนะ ที่มันจะคิดออกไปเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะอย่างนั้นก็ได้ต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนอย่างอย่างมากๆเออเหมือนกัะนกที่หลวงพ่ออดอดอดเถิดเออต้องใช้ความอดทนนะในการปฏิบัติจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบพอสมควรนิ่งพอสมควรรู้ ว่าจิตของเราใจของเราอยู่ในรู้อยู่กับตัวเองจากนั้นนํามาพิจารณาพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังหรือพิจารณากระดูกก็ได้พวกเราเคยเห็นโครงกระดูกที่ไหนที่เป็นรูปโครงกระดูกก็ตามหรือเป็นโครงกระดูกจริงก็ตามที่เราเคยพบเคยเจอเคยเห็นเราก็ดูโครงกระดูกนั้นกันน้อมมาหาตัวเองให้เห็นโครงกระดูกตัวเอง ที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยโครงกระดูกอยู่ข้างในนะใช่ไหมพวกเราคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าข้างในไม่มีโครงกระดูกพวกเรามีโครงกระดูกนั่งอยู่ข้างในด้วยกันทุกคนทุกองคพระเนรที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมี5้บสามองค์เนี่ยมีโครงกระดูกนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้บสามโครงอยู่ข้างในถ้าเอาเนื้อเอาโตรกหนังออกหรือเอาเนื้อออกช้าแหละเนื้อออกมีแต่โครงกระดูกที่นั่ง อยูด่ด้วยกันนี่แหละให้เราเห็นว่าร่างกายนี่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในใจของเรามายึดโครงกระดูกว่าเป็นของเราทต่เด็กกับว่าร่างกายมันเป็นของเราจริงๆแต่ตามเป็จริงมันไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่มันจะต้องแก่แก่เสร็จแล้วก็ป่วยเป็นอนนี้จังแล้วก็ตายหมดอายุกระดูกหมดอายุมัน้นนั่นโครงกระดูกหมดอายุพรามันใช้มานานเหมือนกับรถนะ่ะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีสภาพหมดอายุได้เพราะนั้นมนุษย์ของเราก็เหมือนกันเท่านั้นปีทนี้ปีแล้วก็หมดหมดสภาพหมดอายุมนุษย์ของเรากนแต่นะ่ะเรี ว, ว่าอายุร้อยปีแต่ว่าสูงสุดหละที่จะหมดอายุเพราะนั้นพวกเราไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ไม่มีใครรับประ ก, กันได้พร้อมที่จะหลุดหล่นไปทุกเวลำเวลา เพราะนั้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตของคนเราชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนน้าค้างใบบัวเนี่ยพวกเราคงจะเห็นน้ําค้างใบบัวน้ําค้างใบบอนกิ่งใบเกิ่งมาเกิ่งไปอยู่มากรมมันมันไม่ติดใบใบบอนมันเป็นมันมันกับน้ําน่ยเหมือนกับเป็นก้อนแต่ตามจริงมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นก้อนมันเป็นน้ําแต่มันอยู่ในใบบัวมันเป็นก้อน ทนล่มพัดโชวยวานใบบัวมันเอียงน้ำมันก็ตกกลิ้งปอกลงไปไม่มีใครรับประกันได้ว่าน้ําอยู่ในใบบัวนั้นจะต้องอยู่เท่านั้นวันเท่านี้คืนเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มีใครรับประกันได้วันดีคืนดีถ้าลมมาหรือว่ามีอะไรมาชนกิ่งบัวน่อยเดียเอียงหน่อยเดียวตกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเรา ทุกๆกคนทุกถูกท่านอย่างนั้นแ่ะไม่มีใครรับประกันได้ว่าข้าพเจ้าจะต้องอยู่ห้าสิบปีร้อยปีแปดสิบเก้าสิบปีไม่มีใครรับประกันได้แต่ว่าต้องมีที่สิ้นสุดแปลว่าร้อยปีในพราะว่าเป็นทนถ้าร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วก็หมดสภาพถึงจะอายุยืนกว่านั้นก็เถอะแปลว่าร่างกายเพียงแต่ว่า อยู่ไปชังกระตายเท่านั้นอ่ะที่จะแข็งแรงเดินได้ทานอาหารได้รับนอนช่วยตนเองได้ยากเพราะอะไรเพราะร่างกายทุกพลภาพต้องอาศัยคนอื่นเป็นผู้ดูแลช่วยตัวเองช่วยตนเองไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าร่างกายมันแก่เพราะนั้นให้เราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมันแก่อย่างนั้น เป็นอนณิจังแต่ก่อนเขเป็นเด็กต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนต่อมปกขแก่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆผลใสุดก็จุดจบก็คือตายมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาทีนี้ถ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าให้พิจารณาอถ้าเป็นลูกนอกคอก็อย่างว่าไม่ยอมพิจารณาหัวรื้อหัวรัไม่อยากจะคิดอีกต่างหาก แต่เป็นลูกของพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าว่าให้พิจารณานะให้ะระลึกถึงความตายนะอนนลนะท่านบอกพระอรนนลดูก่อนอานน์เธอะเระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอรนนลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่าพระพุทธองค์บอกว่ายังประมาทอานน์ระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งยังประมาทท่านตอน้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออก นะพระพุทธเจ้าให้คิดถึงขนาดนั้นนะคือหายใจไปเข้าแล้วก็ตายหายใจไม่ออกแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นให้ะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเป็นผู้เตรียมพร้อมอางนั้นถ้าว่าใครทําอย่างนั้นแต่พวกเราะระลึกอย่างนั้นได้หรือเปล่ากี่ครั้งต่อ ว, วันนะ บางทีเพอเผล อ, อาจจะวันละครั้งก็ยังไม่ได้อีกต่างหากเพราะฉนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูให้ดีนะการปฏิบัติทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าพวกเราเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำอย่างไงท่านสอนอย่างไงเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นตามที่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าเราไม่ใช่ผู้ที่ดีของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเรามาในครั้งนี้มาศึกษาเรื่องใจมาศึกษาเรื่องนามธรรมส่วนรูปธรรมคือร่างกายนั้นเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างเก่ามีแต่แก่ไปเรื่อยๆส่วนจิตใจนั้นฝึกได้อบรมได้ ทำให้สูงส่งได้ทำให้เป็นพระอรหันต์ได้เพระพุทธเจ้าท่านก่อนใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าในเพื่อใจเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็เป็นพุทธะด้วยแต่ถ้าว่าใจของท่านยังไม่ได้ตัดสู้ร่างกายของท่านก็เป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นสศีรษะอยู่ยังไม่จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระลูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าถ้าท่าองค์ใดที่ท่านปฏิบัติ ท่านได้เป็นพระอรหันต์ปฏิบัติชํามเล็จเป็นพระอรหันต์ใจของท่านได้เป็นพระอรหันต์ร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยแต่ว่าใจองค์นั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ร่างกายก็ยังไม่จัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะร่างกายเป็นตามใจถ้าใจเลิอดประเสริฐแล้วร่างกายก็ประเสริฐไปด้วยแต่ถ้าว่าร่างกายเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมาน ไม่อยู่ในกรอบไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นขมโมยโพยโจนใจมีแต่คิดเบียดเบียนมีแต่ป่นมีแต่คิดออกนอกลูนอ ก, นอกทางร่างกายของคนนั้นก็เป็นอัปมงคลไปด้วยไม่เป็นิริตไม่เป็นมงคลสําหรับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้ามาคราวนี้มาฝึกใจมาดูใจมาฝึกฝนใจฝึกหัดจัดนิสัย ถ้าพวกเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ดัดตัวเองแล้วจะเป็นพระเนรที่ดีได้อย่างไรจะเป็นครวาดที่ดีได้อย่างไรจะเป็นคนดีในโลกได้อย่างไรถ้าพวกเราปล่อยตามจิตตามใจไม่ฝึกหัดไม่ดูจิตไม่ดูใจปล่อยปละละเลยไม่บังคับจิตใจของตนเองไม่ศึกษาไม่เอานำศีลธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในจิตในใจของตนเอง ปล่อยจิตปล่อยใจอยากจะฆ่าฆ่าอยากจะดาตาอยากจะตีตีอยากจะกินกินอยากจะพูดพูดอยากจะทําอะไรก็ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและจะเป็นคนดีไม่ได้คนที่จะเป็นคนดีได้ต้องฝึกหัดต้องฝืนต้องนํำทำคําสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติอย่างค ร, รวาญญาโจงก็มีศีลห้า ถึงจะไม่ชอบเอาศีหาลห้านำมาประพฤติปฏิบัติเพราะศีหลห้าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติถ้าผู้ใดผู้ใดมีศีหลห้านไปที่ใดมีแต่ความมีแต่คนยอมรับนับถือคนตัวเองก็อยากจะไปที่ไหนก็อยากจะให้คนมีศีลหา้าแต่ตัวเองไม่อยากจะมีศีหลห้าเนี่ยตัวนี้นะมนนันมันยากอยู่ในโลกทุกวันอยู่ในโลกทุกวันเนี่ยมันยากไปที่ไหนก็อยากจะให้คนเป็นศีลเป็นธรรมยิ้มแยม้แยมแจ่มใส ไม่ให้คดให้โกงให้พ่นให้จี้ให้ลักให้ขโมยกันไม่ให้ด่าให้ว่ากันดูถูกเหลียดแย้มกันไม่พูดอะไรให้ผิดอกผิดใจกันอยากจะให้คนเป็นคนดีแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ได้อนี้แหละมันโลภวันเนี่ยมันก็เลยถ้าว่าตัวเองข้าพเจ้าต้องเป็นคนดีต้องมีศีลมีธรรมคนหนึ่งต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเป็นคนดี พระที่ดีองค์หนึ่งสัมมาเนธีดีองค์หนึ่งจะเชื่อในโอวาทของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติกามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อะไรศีลของสัมมเนธคืออะไรศีลของพระภิกษุสอง่สิบจ็นั้นมีอะไรศีลอภิสมาจารที่เราได้ศึกษานั้นคืออะไรศีลของฆราวาสศีลห้านั้นคืออะไรต่างคนต่างสํารวมต่างระวัง ต่างคนก็ต่างรักษาที่นี่โลกทั้งโลกก็จะสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าโลกมีศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราทางพระใหม่พระเก่านะที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อในแนะนําต่างกลัมต่างมาระสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราเป็นคนเป็นพระที่ดีในขณะที่บวชเป็นสมณี น, นที่ดีในขณะที่บวช ในเมื่อออกไปเป็นฆราวาสก็ให้เป็นฆราวาสที่ดีให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมไปอยู่นัสถานที่ใดถิพยใดศีลธรรมก็จะคุ้มครองเพราะความประพฤติเราดีเมื่อเราความประพฤติดีศีลธรรมคุ้มครองอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นฉุกไปหมดแต่ถ้าว่าขาดศีลธรรมแล้วอย่าไปคิดว่าจะมีความสุขนะมีแต่ความเดือดร้อนอใครเห็นก็ไม่ไวเนื้อเชื่อใจ แหวงแคลงใจผลที่สุดก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะคนอื่นไม่ไว้ใจเพราะตัวเองทํากรำชั่วเมื่อเราทํากรำชั่วแล้วคนอื่นก็จะไปไว้ใจเราได้อย่างไรเขาก็เตรียมเขาก็ต้องระวังในเมื่อระวังเขาไก็ต้องจับผิดเราได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเมื่อจับผิดเราได้เธอเนี่ยนะใครจะเป็นคนเดือดร้อนเลยเรานะะี่ยแหะเดือดร้อนเพราะเราทําไม่ดีเพราะนั้นพวกหลกพระสลกหลานทั้งหลายให้เป็นคนดีหนะ้า ที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนทุ ก, ท, ก, ท, กท่านนะเป็นพระเดชที่ดีเบื้องต้นก็อย่างที่ว่านะ้ให้ภาวนานะกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าพุทธหายใจออกโถวายามนั่งให้นานให้นั่งให้นานๆนถ้าพวกเราทําอย่างไรก็แปลว่าปฏิบัติตามพุทธประสงค์ของของพ่ อ, อนะเพอาะเราเป็นบุตรเป็นลูกพระพุทธเจ้าจากนั้นหลักเดิน ทั้งวิปัสนาพิจนารณาโครงกระดูกและลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนี่แหละถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้เลยแปลว่าการเข้ามาบวชคาวัดชีวิตของนักบวชอยู่ในป่าตรงนี้จำเจและเกินเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราศึกษาอยู่ทุกขณะจิตเราคิดเรื่องอะไรมันเป็นใหม่อยู่เสมอเพราะกิเลสเข้ามาสู้เราเอาธรรมะสู้กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาเอาความ รู้สึกนึกคิดสู้กับตัวที่มันมันออกนอกรูกนอกทางอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่ะเราจะจำเจได้ยังไงเพราะมันเปลี่ยนหน้ากลาดหน้าฉากมาเรื่อยๆที่เราจะต้องไปสู้กับความรู้สึกนัานๆนะพอนั้นถ้าเรารู้จักสนามที่ต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับใจของเราแล้วนั่นแหละทีนี่ถ้าว่าเราไม่รู้จักหันหลังให้มันมีแต่เคิด โหยเหงาเศร้าซึมเออคนนั้นพูดให้มากันไม่พอใจออหิวอาหารคิดน้อยอกน้อยใจคิดเรื่องออกนอกลูกนอกทางอันนั้นเป็นไปกิเลสตีเตะแล้วนั่นนะกิเลสทั้งเตะทั้งถีบยังไม่ร้วดกิเลสทั้งคืออะไร เ, เรายังปล่อยใจให้มันกิเลสทั้งเตะทั้งถีบจนอยู่ไม่ไหวแล้วงั้นแต่ผลที่สุก็เลย กระเด็นกระดอนไปกระเด็นกระดอนไปยังไม่รู้จักอีกพราะมันไม่ได้ศึกษาพอมันโง่เนื่องเพราะเราขาดขาดสติอยู่ในจิตในใจแต่เราออกไปออกไปไปยังบวชเข้าไปก็ไม่เห็นได้อะไรฮะไม่รู้จักวิธีการไม่รู้จักเรื่องที่เราจะต่อสู้ไม่รู้จักสนาม เ, เรามาคือเข้ามาคราวนี้มาอะไรฮะ ถ้าเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ลงไปเตะฟุตบอลเขาเตะยังไงกติกาเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ทางเทนนิสแล้วก็ทำํำว่ายน้ำํำเราก็รู้อันนี้ก็เหมือนกันามาเขานี่ยมาดูใจพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้ามาดูใจเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องใจเราจะไปศึกษาเรื่องอย่างอื่นได้ยังไงอเราจะไปปล่อยจิตปล่อยใจได้ยังไงขอพระพุทธเจ้าท่านให้มาศึกษาเรื่องใจนะวันนี้ผมหลวงพ่อได้พูด ให้ฟังแค่เท่านี้ก่อนนะ